بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبإسلام دينا وبمحمد رسوله รับบิษ ر ะเราลีสัตย์รีและยศศรีอัมลีวะผลอัครดัมมิลิสานีย่ฟกหัว سأل ุกอินมะน ا าฟิอันวริ طيب ا ์วะ ل ا م ลันม ش ตะบ ا ลละ ا ะชิฟ ل วะชิฟะอ ي ม ا นคุลิดะอิ ل ย م อัลบัน ل าเลมีนอัลลอ ي ุ S a ah uh. s ม a l a ล u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปาราณีจากอัลลอฮห سبحانه และก็ุ์ต่าประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอ่านทุกๆ ท, ท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชุโกต่ออัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และกุ์ต่า ที่ให้พวกเราได้มาพบเจอกันวันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านในสุรอ้อนอันอามไม่ใช่อินอามนะอันอามไปอ่านอินอามไม่ได้นะคนละความหมายกันอันอามตรงนี้เคยบอกไปแล้วแปลว่าปัสุสัตวอันอามตรงนี้ใครอย่าไปตั้งชื่อลูกนะอันอามยุ่งเลยปัสุสัตว์อินอามแปลว่าเนืยอมัด น, นะความโปรดปาน ส่วนอันอามตรงนี้แปลว่าปัสุสัต์นะครับสุรออันอนามเป็นสุรอมักกียะนะอัลลอฮฺซุบหฮานาฮวะตาลาเน้นเรื่องหลักศรัทธาหลักอากีดาหลักความเชื่อการพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเราอ่านมาถึงอายะที่16แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่อายะที่17 و َ إ ِ ي َ م س َ س ْ ا ل ل ه ب ِ د ر ف, ل, ف ل َ ه َ ا ك َ ف لَهُ إ ل ا ه و ي ที่สิบเจ็ดในสร ah ์อัลอันอามนะอัลฮัมดุลิลละนะครับอ่ะแต่เริ่มฟาติดาก่อนนะ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ar-Rahman a r r a h มาน a l i k ราฮีมม d ลลิกิยามิดดินอีย i งกะน้าบุดุวะอีย y a ก a น a s ต a i n อิห์ดินั้ลศิราตัลมุสตากิมศิราตัลท้้าที่นั้นอันงามต์ عليهم و ม่ได้ผิดตอพวَเขาและล อาเมน ا ل างอุบิลลาฮิมินอชชตนอรําอส Allahu bi durin, فلا كش فلا ه ُ إلهو อันแรกเลยนะครับหน่องเสียงด้วยนะวียมอ่านเข้าไปที่ตัวยาเลยนะะอียยัสกัลลอฮูบิดุรริฟัลกัสีฟัลลฮูอันนี้มัดสีละกุบอรออ่านยาวนะอ่านสี่ฮาร์รกาถึงห้าฮาร์กะสี่ฮาร์รกานะครับแล้วฮูอิลละแล้วก็หยุดยังไง ฮูอ่าฮ่อูแล้วก็ไปเข้าไปที่ตัววาวเปลี่ยนจากวาวเป็นสุกูลเลยอ่านว่าฮูเลยอ่ะอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราจะอ่านต่อเราก็อ่านฮูอเ อ, อนะแต่เราอ่านหยุดตรงนี้นะครับอยัม ส, สกัลลอฮบิดรรฟลากาิฟละฮอิลลฮ อ่าย่าลืมเลาฮู้อย่าลืมอย่าลืมยาวนะอันนี้มัสซีละสังเกตง่ายๆมันจะมีอลิฟต่อนะครับแล้วมีเครื่องหมายขีดยาวอยู่นะถ้าเป็นตัวอื่นไม่ยาวยกเว้นตัวที่มีอลิฟอยู่ข้างหลังนะครับเวียม ส, สกัลลอฮฺบิดูริฟละกาชิฟะละฮฺอิลลัฮฺ อี Yam สักบิข่ายริ่งฟาหัวเกลาคุลลิใจริ่งโคดีร์อ่าซ้าอีกครั้งหนึ่ง ว่าอิยมสักบَขั و รินฟาหัว ل ัลลิ ي ัยริ ว่าหัว القاهرة فوقعباد ิฮิ و ่าหัวผู้ผู้ผู้ผ ا ل ผู้ผู้ผู้ผู้ و ู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผ้ผู้ผู้ผู้ผู้ผ้ วะฮ الْقَاهِرُ ف َ و ْ قاعباد ิฮีวะฮ์ว ا ل ْ ح ك ي م ُ ا ل خ َ ب ِ ي ر คอเบีรนะเห็นไหมมีตัวบายตวนะไม่ใช่คอยนะคอบีรแล้วก็อย่าลืมตัวรอข้างหลังด้วยนะครับคอบีอ่์มีตัวรออยู่อ่ะอายะต่อมากุลอยุชัยอินอักบรูชาฮดะตกุลลิ อ่ะกี่นะไอตรงนี้ไปเลยไม่หน่วงเสียงนะหน่วงเสียงชัดด้านเนี่ยมีสองตัวนะครับมีมกาบนูนแต่ถ้าเป็นวาวกับเป็นตัวยาเนี่ยให้อ่านกระแทกด้วยกุลไม่ใช่ไอนะเป็นไอกุลไ อ, อยู่ใช่เหมือนกับอียาราไม่อ่านอียาอียาแกนากูดัวอียาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันไอไออยู่ อายุคุลอายุนะอีกรอบนึงนะคุลอายุชายอินอัคบรูชาฮะดะตะคุลิลลา شهيد ุมไบนีว่าไบณักุมว่าอุ حي َ إليه َ ذ ا القرآن ل ُ ن ذ ر َ ك م به وَمَنْ بَلَغَ อร่อานลีอูดิรักุมบิฮิวะมัมบะลักนะมีมี ม, ม, มตัวเจอบา ด, ด้วยลีอูดิรักุมบิฮิวะมัมบะลักบะลกเห็นหมมีตัวเกนอยู่ข้างหลังเห็นไหมบะลัก ให้เสียงให้เสียงสั้นด้วยนะไม่ไม่บาลักนะถ้าบาลักปั๊บใส่เพิ่มอลิฟเลยต้องหยุดที่บาลักเหมือนกับตัวลามไปตีไปสู่กูลกับตัวเกนบาลักหยุดแค่นี้บาลักนะอีกรอบหนึ่ง و أ و ح إ َ إليه هذا القرآن لأنذركم َُ به ِِ ومن ََ بلغ ََ bihi wa m a n b a l a g อุครอนะอ n นกุมเลตสฮะดูนะอันน n ามาอั l ลอฮิอาลีฮะตะอุ r ร อ่าหยู่ให้พร้อมกันนะอุครอหยุดแค่นี้เลยอุครออ่าอุครออาอีกรอบหนึ่งอินนะกุมละตัสฮะดูนะอันนะมาอัลลาฮิอาลิฮาตันอุครอคร กุลล์อาชฮัด ل คุลอินน์มะฮ์วะอิลลฮูวาฮิด อ, อย่าลืมก้นก็แล้ววาฮิดดีมากกุลินมะหวอิละูวะฮิดอ่ะคราวนี้กุ้นอันจงจบอายะเลยนะหายใจ ล, ลึก قل إنما هو إله واحد وإن نبي أمم ما تشركون Wa hidhu wa inna n i barium mim ma t u s r i k u n Alhamdulillah. Nah, wa inna nih barium mim ma t u s r i k u n Antarah a l a i ตรงนี้เนี่ยเราหยุดที่อับนาอาหุมได้แม้ว่าตัวมีมเนี่ยจะมีดอมมะหยุดได้นะครับเพราะว่ามีดอมมะที่เพิ่มมาเนี่ยอันเนื่องมาจากอ่านต่อเขาเลยต้องเพิ่มหูมุลนะเดี๋ยวหยุดตรงอับนาอาหุม الذين آتينه ملكتا ب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ا ل َّ ذ ِ ي ن َ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُمِنُونَ ؤ ْ وَمَنْ أَزْلَمُ م ِ م َ ن ِ ا ف ْ ت َ ر َ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ อีรอบนึงนะวาม م นอัลลัมม ا ف ิมันอิฟต ل รออัล اذ ب أو كذب بآياته ว่ามันอัลลัมมุมิมันอิ อินนั้นุลาญุฟลิฮุฎอัลลิมุนอินนั้นุลาญุฟลิฮุฎอัลลิมุนอ่ะมาดูความหมายนะครับอายาที่17พี่น้องนะเป็นเป็นเรื่องอากีดาเราด้วยเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตของเรา บางคนเนี่ยพี่น้องครับพออ่านอาย่นี้เนี่ยเลิกเครียดเลยอ่านอายน่นี้เข้าใจอายน่นี้หายเครียดมีอายะในการที่เราทำให้เราหายเครียดมีไหมอาย่นี้เลยพี่น้องววอียัมสัสกัลลอฮฺบิดุรินฟะลาคาชิฟลาหฺอิลลัหฺและหากว่าอัลลอฮทรงให้ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ย มาประสบแก่เจ้าแล้วฟาละกาชีฟาละหูอิลละหูก็ไม่มีผู้ใดจะปลดเปลืองมันได้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นแสดงว่าให้ใครเป็นที่พึ่งพี่น้องให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนะให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเออดังนั้นเราทำสา บ, บสาหีเราป่วยเราก็ไปหาคุณหมอให้เขาวินิจฉัยโรคให้เขา้าใจยา แล้วจะหายไม่หายเรามอบให้อัลลอฮ์เลยหมอคนเดียวกันยาก็ตัวเดียวกันกินก็เวลาเดียวกันอีกคนหนึ่งหายอีกคนไม่หายเข้าโรงพยาบาลไปพร้อมๆกันอีกคนหนึ่งออกอีกคนหนึ่งตายก็นี่ไงเพราะทั้งหมดทั้งมวลเล้วมาจากกําหนดของอัลลอฮ์ว่าอียัมซัตกะบิคอยรินฟะฮฺวะอัลเลาะลิเชอิกัดีร และแต่หาพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นกําหนดของอัลลอฮ์นะแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าทุกอย่างมันจะดีไปหมดแม้กระทั่งเราซูลของเราเนี่ยก็มีบางเรื่องที่ทําให้ท่าน เดือดรอ้อนอ่าอะไรล่ะตอนไปตอนไปรบอย่างเงี้ยท่านอบีของเราเนี่บาดแผลนะพี่น้องภูมิใหมานทั้งหลายฉันเคยเล่าแล้วสงครามอุฮุดปลายฟันหักก่อนเลยฝั่งขวา ข, าข้างล่างปากแตกฟันหักเลือดกบปากโดนคว้างคนที่คว้างชื่ออุนตบะซาบินอบีวากอสซาบินบีวากอสเป็น คนที่อารักขานาบีส่วนคนขว้างนาบีก็คืออุตบาร์บินอบีวักกอสพี่ชายของสะพี่กับน้องอยู่คนละฝั่ง <c oughs> ออพี่ขว้างนาบีสะบินาวีบักกอสเอาอกรับธนูรับอาวุธแต่ไม่ทันเข้าปีปากนาบีเลือดกบปากฟันหักนบีฟันหักแล้วสุดท้ายอุตบาร์ก็ถูกฆ่านะ่ะ นี่เราให้พี่น้องฟังแล้วก็โดนกเกาะเหล็กหมวกเหล็กทิ่มเข้าไปที่แก้มแล้วก็มีที่หัวไหลโดนฟันแต่ไม่เข้าแต่ไหลไหลซ้นเจ็บเป็นเดือนเลยแล้วก็มีแผลที่หัวเข่าตกสนามเพาะตกหลุมลงไปเลือดไหลที่ปากที่หน้ามีคิ้วตแตกด้วยฮ อ, อ่าไหลยหยดลงเท้าเลยก็นําเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องเนี้ย ที่มันประสบกับ น, นบีก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดดังนั้นอย่าที่นําเรียนว่าชีวิตของผู้ศรัทธานเนี่ยไม่ได้โรยไปด้วยกีบดอกกุหลาบดอกไม้แต่ก็จะเจอบททดสอบอะไรที่ไม่ดีแต่ให้เรารู้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยที่มันมาเกิดกับเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะทดสอบบ่าวของพระองค์ว่าสามารถจะอดทนสอบบัตรผ่านมันไปได้ไหมถ้าเราสอบบัตรไม่ผ่านอดทนไม่ผ่านก็ไม่ได้รางวัลแต่ถ้าเราอดทนสอบบัตรผ่านเราก็ได้รางวัลแค่นั้นเอง และก็แน่นอนว่าความดีต่างๆที่มันมเกิดขึ้นกับเราก็เป็นไปเกือบด้วยกับการกําหนดของอัลลอฮ์เช่นเดียวกัน น, นี่คืออายะฮ์ที่พูดถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ให้คุณและก็ให้โทษและก็เป็นผู้ทรงมีอำนาจคุณกับโทษจะเกิดกับเราได้ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์มีดวอาที่เราอ่านหลังละหมาตลอดห้าเวลา Allahumma la mani alimaa ta'ita ولا معتي alimaa manata ولا ينفع ذن جدّي من كان جدو อ่านกันตลอดแต่บางครั้งไม่ได้ดูความหมายความหมายว่ายัางไงโอ้ oh, Allah la mani alimaa ta'ita ไม่มีผู้ใดขัดขวางในสิ่งที่พระองค์ประทานให้นะไม่มีผู้ใดขัดขวางในสิ่งที่พ ร, ระองค์ประทานให้แปลว่าอะไรที่เป็นของเราใครขวางไม่ได้ เอออะไรที่เป็นของเราอย่างไงมันก็จะต้องมาถึงมาถึงตัวเราใครจะพยายามขวางจะพยายามมาให้มันถึงทำไม่ได้หรอกริสกีเดี๋ยวมาถึงหน้าบ้านเมื่อวานเข้าไปบ้านภรรยาบอกว่ามีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเราซื้อเป็ดไปตอนไหนเขาบอกมีคนเอามาให้อ่าไม่รู้เรื่องเลยใครก็ไม่รู้ขอซอยไปขอบ้านไป ผ่านเขาบอกอาจารย์ให้มาเยอะแล้วผมขอให้อาจารย์บ้างฉันให้อะไรเนี่ยก็บอกอ่ให้ความรู้ฝังวิทยุอย่าคิดถึงเป็ดอมีเป็ดอร่อยอย่านึกถึงอาจารย์ก็มาฝากไว้ยังไม่ได้กินเลยกินไม่ทันออกมาก่อนก็เป็ดเปดิสกีฉันมาถึงแล้วอยู่ในบ้านแต่ยังไม่รู้ได้กินหรือเปล่าแล้วกลับไปใครกินหรือเปล่าไม่รู้เอาไม่เป็นไรมาอยู่ในตู้เย็นแล้วปลอดภัยก่อนเอาทมดูดินละแต่ยังไม่รู้จะถึงปากเราหรือเปล่าเอาเนะ ดังนั้นอะไรที่เอาลอประทานให้ใครขวางไม่ได้คิดง่ายๆเป็นของเรายังไง้มันก็เป็นของเราเวลามัตติยาลิมามนานณและไม่มีผู้ใดจะห้าจะไม่และไม่มีผู้ใ ด, ดที่จะให้ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงขัดขวางเช่นเดียวกันอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่เป็จะพยายามอย่างไงก็ไม่ใช่อันนี้เป็นดูอาสําหรับคนอกหักด้วยนะ อ่าใช่ไหมใครมีความรัก อ, อกหักพยายามแล้พยายามเขาเขาไม่รักอะทํายังไงเขาก็ไม่รักก็รอดไม่ให้เออจะไปคิดเยอะบางคนไปนั่งแล้วกูกูไม่ดียังไงวะอะไรเงี้ยนะคือบางครั้งก็ต้องตมสรวจตัวเองนิดนึง อ, อ่ามันก็มีสาบับมันก็มีสาเหตุถูก ป, ปะ่ะเออแต่ว่าสมมติตเราทำสาบับครบแล้วเราทําครบหมดเลยสาเหตุแต่มันไม่ได้เนี่ยก็ให้เรารู้เลยว่าเอลเราไม่ได้กําหนดให้เป็นของเรา พยายามให้ตายก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเวลายันฟรุ้ดดันจะดีมิอกันยะ ด, ดูแปลว่ารู้ไหมความพยายามจะไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ผู้พยายามนอกจากมาจากอ น, อนุมัติของเราเราจะพยายามแถบตายยางไงถ้าเราไม่ให้ก็ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราละทิ้งความพยายามนะพี่น้องพอฟังแบบนี้ออกกูไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนอยู่กับบ้านเดี๋ยวเงินมาเองไม่ใช่ ต้องทำก่อนแต่ไม่ใช่หมายเพราะว่าเมื่อคุณทําแล้วคุณจะได้เสมอไปบางครั้งก็อาจจะได้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ได้ล่าได้ล่าหน่อยความพยายามเป็นสาเหตุของความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จนั้นแต่ทุกความสําเร็จนั้นมาจากอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นตัวราวตัวช่วยให้เกิดความสําเร็จหนึ่งในนั้นคือความพยายามใช่ไหมล่ะแล้วก็ดูอาร์มอบหมายต่ออัลลอฮ์แต่ผู้ที่ใช้ความสําเร็จมีอย่างเดียวเลยคืออัลลอฮ์นั้น ดังนี้เรบอกว่าวลาลย์ยันเฟอไม่มีประโยชน์นะความพยายามเนี่ยถ้าความพยายามนั้นเมื่อกระทาไปแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮ์ให้มันเกิดผลเนีเหมือนกับคนที่พยายามหายารักษาโรคหาเลวหาอีกบุกเข้าป่าต่างๆหาใครว่าดีกินไปหมดแต่มันไม่ตรงไงมันไม่ตรงมันก็ไม่หายก็ตามนั้นบางคนไปเจออะไรกันไม่รู้ มีคนเพื่อนให้มายังไม่ถามอะไรกินพอกินไปตรงกับมันหายเอาลอให้หัมดุริดละดังนั้นชีวิตเรามอบไว้กับลอแล้วเราก็จะสบายใจนะเหมือนกับเวลาเรากำหินนะพี่น้องนะยิ่งกำแน่นมันก็เจ็บปล่อยบ้างปล่อยให้เป็นเรื่องของพระองค์บ้างนะให้อลลอจัดการบ้างนะครับอ่ะต่อมาครับอายะต่อมานะ ว่าหัา ا ل ق ا ه ر فوق อิบาดิฮิว่าหัวผู้พากมุลขับี a, อัลลอฮ์เน้นย้ำอีกแล้วบอกว่าไงและพระองค์คือก็คืออัลลอฮ์นะคืออะไรผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์ผู้ทรงอำนาจเหนือปวงบ่าวของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณและผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งอัลฮัมดุลิลละเน้นย้ำอีก ให้เรามอบหมายต่อ Allah ให้เราขอต่อ Allah กุลอยุช ah ัยอินอักบารุชาฮาดัตันอะจงกล่าวกุนญิแปลว่าจงกล่าวใครกล่าวมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าในการเป็นพยานมีอะไรไหมที่จะยิ่งใหญ่กว่าการเป็นพยานพยานตรงนี้หมายถึงอะไร การยืนยันใช่ไหมการยืนยันเพื่อให้เกิดความหนักแน่นเนี่ยพยานเป็นพยานเลยยืนยันเพื่อให้เกิดความหนักแน่นความมั่นคงโจงกา่ารเถิดมูฮัมมัดว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้เป็นพยานเวลาที่เรากระทําอะไรก็แล้วแต่คุยกันสองคนสามคนเนี่ยอย่าคิดว่าอ๋อไม่มีพยานนะเดี๋ยวนี้พยานเนี่ยในการสืบหาตอนนี้นะกาลังดังเลยข่าวก็ตามอะไร กล้องวงจรปิดถูกปะพยานไปคน้นบ้านใครมีกล้องเนี่ยสมมติมีคดีนะครับมาขอเราดูหมดอะผ่านไม่อะไรไหมเพราะต้องการพยานยืนยันให้มัดตัวคนที่เป็นฆาตกรแต่สมมตินะมันทําจริงๆแหละแต่มันหาพยานไม่ได้ไม่มีพยานยืนยันเลยกล้องก็ดันเสียไอ้คนก็ไม่มีใครเห็นเลยกฎหมายก็อาจจะไปไงไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้เพราะเขาตัดสินตามพยาน แต่ถ้าเอาถ้าเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพยานเนี่ยจบเลยแปลว่าถ้าแกไม่ยอมรับแกก็ไปเจอโรกหนะ้านักกว่าอีกนักกว่าอีกไอโก้โรคนี้แกก็หลอดไปเพราะว่าแกหาพยานไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแกจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าแกกระทาจริงนะถ้าเป็นคนเลวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหาหลักฐานมันไม่ได้และเขาไม่ได้ทำนะเสมอไปนะดึงออกไหมสมมติคนคนนึงเนี่ยนะออกมาจะอ อ, ออกมาจากหลุดคดีมาเขาอาจะฆ่าคนจริงๆกันแต่เหตุที่หลุดเพราะอะไร มันไม่มีหลักฐานมายืนยันถึงการไปทำแต่ในกฎหมายก็ต้องบอกว่าเป็นสนิษฐานเป็นพนผู้บริสุทธิ์แต่ระหว่างเขาตัวเขาเองเขารู้ดีเขาทำไม่ทำและอัลลอส์ทรงรู้ดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีระบบการตรวจสอบตัวเองไม่ต้องไปเจอกล้องวงจรปิดหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่พระ อ, องค์เนี่ยทรงรอบรู้ทั้งหมดในสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจโกหกใครไม่ได้ นะโกหกอัลลอฮ์ไม่ได้โกหกมนุษย์ได้แต่โกหกอัลลอฮ์ไม่ได้นะครับเอาต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ า, า, วาอาลัลลอฮ์นั้นเป็นพยานระหว่างฉันกับเจ้าและกุรอานนี้ก็ได้ถูกประทานลงม า, กาแก่ฉันแกใครแกท่านอบีกุรอานเนี้ยถูกประทานลงมาให้แก่ท่านอบีเพื่อให้ท่านอบีนั้นได้ใช้อันกุรอานนี้ทําการเลยตักเตือนรีอุนซิรอ คุ้มบีฮามันบาลกให้กุฎอ่านเนี่ยมาตักเตือนพวกเจ้าและผู้ที่กุฎอ่านนี้ไปถึงถ้ากุฎอ่านไปไม่ถึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนคนนั้นก็ไม่ได้รับการตักเตือนพูดง่ายๆว่าศาสนาเนี่ยถ้ามันยังเข้าไปถึงที่ไหนก็แล้วแต่คนค น, นั้นก็ถือว่าอัลลอฮฺอภัยให้นะเออเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องนะมันมีข้อจํากัด ในการเผยแพร่ศาสนาอาจจะมีชนเผ่าต่างๆอะไรบางๆก็ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ก็ว่างกันไปกุฎอ่นไไาอนไปไม่ถึงคขาบ่ากุฎีไปไม่ถึงแปลว่าอะไรหลักทำคําสอนอิสลามยังไปไม่ถึงแต่ครั้นี้สมมุติส่งกุฎอ่านไปอย่างเดียวเรารู้แล้วมีเผ่าอยู่ที่แถวทะเลแคริเบียนอยู่บนเกาะเอากุฎอ่านส่งไปอย่างเดียวอ่านออกปะ <c oughs> ไม่รู้อะไรวะดิมันนึกว่าขมเพียอะไรมันก็ไม่รู้ไอ้คำว่ากุานตรงนี้หมายถึงหลักทำคําสอนที่อยู่ของอัลลอฮ์เอาไปสอนเอาไปบอก อาจจะไม่ได้ถือกุฎานเป็นเล่มก็ได้แต่คนคนนี้เขารู้จักหลักทำคำสองฮล้านฮารอมในกุรฎานเอาไปสอนเอาไปเตือนเอาไปบอกรู้จักเอาเอาสิ่งที่เอาเรื่องของพระเจ้าไปสอนนั่นแหละก็คือเอากุฎานไปสอนเพราะเวลาสอนศาสนานี่คือเอาอะไรไปสอนกุฎานนะไม่ใช่เอาความคิดตัวเองไปสอนนะเอากุฎานไปสอนเอาฮะดิษไปสอนเอาต่อมา พวกเจ้าจะยืนยันโดยแน่นอนกันนั้นหรือว่ามีพระเจ้าอื่นร่วมกับอัลลอ์เวลากุ่านไปถึงแล้วเนี่ยรู้แล้วสัจธรรมปรากฏแล้วเนี่ยยังจะเป็นพยานยืนยันอีกเหรออันนะมาอัลลอฮิอัลีฮตันอุครอมีพระเจ้าอื่นจาก Allah อักลลอฮ์อีกหรือกุลลอุหิกุลลอัชฮัดตรงนี้แปลว่าอะไร แปลว่าจงกล่าวถึงมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่ยืนยันเออคนที่ไม่ยืนยันไม่เป็นพยานก็คือท่านนาบีไม่ยืนยันไม่รับรองนะใครใครเชื่อแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นศาสนาที่เป็นคําสอนของนบีเพราะนาบีไม่เคยสอนให้คารบสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาละ่ะหรือเอาสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอลอแสดงว่าเถื่อนทั้งนั้นเลยนะ ใครที่บอกว่าอ้างเป็นมุสลิมแต่ยังเชื่อว่ามีอำนาจอื่นเหมือนกับอัลลอฮ์แสดงว่าเถื่อนนบีไม่รับรองของเถื่อนน่ะนบีไม่รับรอ ง, รงของไม่จริงกีสุดต้องดีมากจงกล่าวเถิ่นเอาอีแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและแท้จริงฉันขอปรีกตัวออกจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์ไม่ขอยุ่งเกี่ยวใดๆบารีอุมไม่เกี่ยว ถ้าเรื่องนี้พวกท่านทำพวกท่านก็รับกันไปเองนะจะมาอ้างนาบีไม่ได้นะอ๋อนบีสอนแบบนี้ไม่ใช่นะอันนี้เถื่อนของเถื่อนนะไม่ได้มาจากคําสอนของอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากค Allah, ํ า, าคสอนของท่านรอซูลบรรดาผู้ที่บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่พวกเขานั้นก็หมายถึงชาวคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนัสรอข่าวรู้จัก พวกเขานั้นรู้จักเขาเขารู้จักเขางงไหมหมายถึงพวกเขาเนี่ยรู้จักนบีมูฮัมมัดเนี่ยพวกเนี้ยรู้จักนบีมูฮัมมัดเนี่ยยิ่งกว่าเช่นเดียวกับที่รู้จักบรรดาลูกๆของพวกเขาเองอันนี้เล่าไปแล้วในโซโรล อ, อัลบากรก่อนหน้านี้ว่ายาฮูดเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะว่าคนเนี้ยเป็นนบีรู้แต่มันไม่รับเพราะมันรู้สึกว่าทำไมเราซูนจนต้องมาจาก อาหรับด้วยไม่มาจากบนันิสรออีนนะรู้ดีกว่ารู้ดีเหมือนกับลูกรู้จักรู้จักเหมือนได้ับลูจักลูกมองปับงป๊บก็รู้แล้วเนี่ยลูกเราอ่านิสัยเป็นยังไงเขารู้จักนบีเหมือนกันรู้จักลูกลูกของพวกเขาบรรดาผู้ที่ทำให้ตัวของเขาขาดทุนนั้นเขาพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาแต่ถ้าเขารู้จักนบีและเขาศรัทธาเขาก็กลายเป็นคนที่ได้กาไรประสบความสาเร็จ เหมือนกับอับดุลลอห์บินซาลามที่เคยเล่าไปแล้วว่าเป็นยยโฮดแต่มารับอิสลามแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นเองต่อมาสุดท้ายครับยี่สิบอ็ดวามันอัละมมิมานิฟตารออาลละฮิกกดีบันอากะซบบิอายาทิผู้ใดเล่าที่จะอาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์เพราะพวกนี้พี่น้องนะรู้ป่วว่าที่เขาทำรูปปั้นขึ้นมาเนี่ย เขาอ้างว่าธทำนี้เป็นเรื่องดีเพราะเป็นสื่อไปถึงอัลลอฮฺแต่ผ่านรูปปั้นนะ่ผ่านจเวิตแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเรื่องดีหมดเลยเนี่ยที่ทําอยู่นะผ่านเอาเอ า, เอาเลือดไปไป้ายกับจเจวิตต่างๆถึงอัลลอฮฺแต่ผ่านรูปปั้นเนี่ยเขาอุปโลกขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธบรรดาอายะของพระองค์เครื่องหมายต่างๆแท้จริงบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะไม่ ได้รับความสําเร็จเอาเราบอกไว้เลยนะยุฟเลียแปลว่าไฟล่ะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าชัยชนะความสําเร็จและยุฟเลียแปลว่าไม่ได้รับความสําเร็จไม่ได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คืออายะที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดอยู่ในหมวดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อนะวัยอมานะ ชูรุหุม jamia وَيَوْمَنَ شُرُهُمْ جَمِيعَ وَيَوْمَنَ شُرُهُمْ นี้จะหยุดตรงไหนเนี่ยยาวเนี่ย “ทุ่ม”มน้ําคَลุหลั ر นดีน่าชูรักอยู่ไอ้นُูรักแอบคุมุลดีน่ ت ُ م ْ تَزْعُمُونَ อ่ามีมีที่อัชรอคูเนี่ยอ่านยาวเหมือนกันอ่านสี่ได้นะแล้วก็ชูรการเนี่ยก็อันนี้วาจิบเลยมัดวาจิบต้องยาวนะอ่ามัดยาอิสกับมัดวาจิบนะครับจริงจริงมัดยาอิสอ่านสองก็ได้เพราะว่ายาอิสแปลว่าอนุญาตวาจิบแปลว่าจําเป็นนะเป็นยาวต้องแต่เราอ่านยาวเพื่อจะได้ให้ได้เออเขาเรียกอะไรมันจะได้ดู อ่าได้ยาวขึ้นนะหมายถึงว่าเราได้อ่านได้ช้าขึ้นนะครับไอ้รอบหนึ่งซุมมะนะกูลุลลอกรกู أ ش ر นาช ي ن شرقا أ ุล م ا ีนา ي ุ ق ตุมตะ ز อ م ูน แค่อุกุมุล่าีน่าะงมอนอีกรอบนึ่งนะซุมมมาซุ่มมานีู่ลุ่ล่าีนาชูรักอนาชูรคก อักตม้อุมาลดีนกตุมตัมอ่ยต่อมานะ ثم َُّ لَمْ ي َ ك ُ ن ْ ف ِ ت ْ ن َ تُهُمْ إلَّا ِ أَنْقَالُ وَاللَّهُ قالوا الله ربنا ما ك ن ّ ا مشركين ฟา ف าดับูอัลอาอูซิฮิมอุ ف ซุรฟาคาดับูอัลอาอูซิฮิมอายอรอบนึงนะออุนะุ อั ك ك ذ ตร์คืَไَคิ أَنفُسِهِمْ و ظ ض ع ن ه ّ م َ ك ن ْ ا يفترون و عنهم ما, عن ما و عنهم ا كانوا يفترون َْ ว่ามีตัวกราฟอีกตัวหนึ่งนะเอเลอิกเอเลอิกอ่ามีตัวกราฟนะ ว่ามินหุมไม่ยื่นตัมยูอีลัยอ่ากีนนะไม่ไ ม, ไมหนวกเสียงด้วยไมหุมไม่สองขันนะว่ م มิْหุมไมَยื่น ตัมีอุเอเลิกอาและเราได้สร้างบนหُวใจของพวกเขาแต่เราไม่ได้ตั้งใจ กหูห عل ัวฟีอาดานิมว่าอัคราอะกินนัตันอ้ายฟกหูหัว อ้ายฟกหูหัวฟีอ้ายฟกหูหัวฟีอาดานิหิมวะคอร์วะคอร์อ่าโอเคนะอีกรอบหนึ่งว่าจะลันาอันาคูลูบิหิมอกินะตันอ้าฟ قَهُوَ กُหู فِي آذَانِهِمْ و َ قرأ วَาَียรู้กุลละอ م ِ ن ُิล بِهَا و َ إ ِิฮะว่าอียรู้กَลละอายาติลล่ายุมน بِهَا حتى إذا جاء เข a จะยืนยันและเขาจะพูดที่เขา يقول الذين كفروا إن هذا إ أ إلا أساتير الأولين ผมมาคิดตัวต่อไม่ใส่ให้หนักเท่าไหร่ตีไม่ได้ต้องตีอาสซลตีรุลเอาวาลีนอีรอบหนึ่งนะ a ก l a d i n a k f a r าอิล a a ila asatirul a w a ลีน ว่าห um ุ้มยันเฮอหน้า عنه ว่าย ouais ันเอาหน้าเงินอะดูให้ดีนะมันจะงงว่าหุ้มยันยันอะไรยันเฮอเฮอหน้าเงินตัวอินมานหว่ายันเอา ว่ายันเอาหน้าอันแล้วก็อันเนี่ย <c oughs> เก็บเก็บตัวฮาด้วยอันอันมีฮาออกมาด้วยพลลมด้วยอ่านชัดชัดดูดีๆทีละตัวอัลนหมดูดิละ ว um ن ْ ه มยันَฮอ์นั่งหัวยْนเอาหน้า ن ْ ه นวะฮَมยันเฮอَนั่งหัวยัَเอาหนَาِงินวัยอยู่ลิขุนั่งลา อ้ามาดูความหมายว ي ي م م ่ายมานะชูรุหุมจะมีอ่าบั้นปลายสุดท้ายของเราพี่น้องครับไม่ได้หยุดอยู่ที่กูโบนะ ในดุนยาเนี่ยไปกูโบนี่ก็คือไปส่งสุดท้ายแล้วส่งกว่านี้ไม่ได้แล้วนะจะลงไปส่งข้างล่างก็ไม่ได้แล้วส่งได้แค่ที่กูโบแลวเราก็กลับมาใช้ชีวิตกันแต่หลังจากที่ฝังไปแล้วเนี่ยก็อยู่ในอาลัมบาซักนะซึ่งฉันเคยบอกไปแล้วว่าบาซักนี่อย่าไปคิดว่ามันแคบนะเราพอเราไปบอกว่ามันอยู่ในโลง ม, มันน่าจะแคบเนาะเออนี่คือโลงที่เราเห็นนะใช่ แต่จริงน่ยอีกมิติหนึ่งก็คือบัซักนั้นเน่ยเป็นโลกที่กว้างใหญ่กว่าดุนยานี่เองใหญ่กว่าดุนยาเพราะว่าอัลลอฮฺจะไล่ระดับความใหญ่ขึ้ น, นเรื่อยๆจากคันบรนดาและก็ามาดุนยาดุนยานี่ก็ใหญ่แต่ก็ไม่สุดเท่าไหร่นะก็ทั่วโลกันแต่เราก็ไปไม่ทั่วหรอกนะและหลังจากนั้นบัซักก็ใหญ่กว่าอีกแล้วสุดท้ายที่อยู่นิรันกาเลยนิรันดรเลยก็คือสวรรค์และก็นรกคิดว่าสวรรค์ก็นรกใหญ่ไหมใหญ่ที่สุดแล้ว ใหญ่ไพศาลากกว้างใหญ่นะคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าในและในวันที่เราชุมนุมพวกเขาทั้งมวลก็คือวันวันที่เราฟื้นคืนชีพมาและก็จะมาชุมนุมกันนะชุรุฮุมจะมีอาจะมีอานีมากันมากันหมดนะ ตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งคนที่ตายคนสุดท้ายในวันกิยามะแล้วพี่น้องคิดดูจะเยอะขนาดไหนขนาดที่มีชีวิตยังไม่นับตายเนี่ยยังบางบา ง, บางที่นี่ล้นเลยนะบางชุมชนเนี่ล้นเลยและนั่นในตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายเนี่ยจะใหญ่โตจะเยอะขนาดไหนนะซึ่งอันนี้มันเกินกว่าจินตนาการเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของ ที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้แตใ่ให้แน่นอนว่าไม่มีใครสูญหายหรอกมากันครบแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาแลนํสาสัตว์มาด้วยอัลลอฮ์ให้ให้เอาสัตว์มาด้วยนะสัตว์ก็มาด้วยแต่พอเวลาโปร่งนั้นจะทําการพิพากษาอัลลอฮ์ก็ให้มันกลายเป็นดินไปให้สัตว์เนี่ยกลายเป็นดินมีมนุษย์บางคนอยากเป็นสัตว์ตอนนั้นกู <c oughs> อยากเป็นควายบ้าง <c oughs> ละเว้ตอนนั้นเพราะอะไรล่ะขอโทษนะ เพราะามันต้องถูกสอบสวนไม่ต้องลงนรกอยากเป็นควายแนละ้วตอนนั้นตอนเป็นคนไม่เอาพอไปอยวันนั้นอยากเป็นควายอันนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นหมีเพนด้าก็ได้แล้วก็วมไม่รู้แต่เพราะว่าสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้กลายเป็นตู้ตูรอบากลายเป็นเป็นดินไปเออกลายเป็นดินไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแม้กระทั่งความยุติธรรมระหว่างสัตว์สัตว์ที่ขิดกันและไปทําให้เขาอีกตัวนึงหักเพราะาอีกตัวหนึ่งเขามันใหญ่กว่าอัลลอฮ์จะให้ตัวที่ถูกขิด ในวันกียรติดคืนเนี่ยยุติธรรมแม้กระทั่งสัตว์แล้วพกเราจะเหลือไหมที่ไปละเมิดคนเนี่ยขนาสัตว์เนี่ยมันทําดยสัาติยานแต่มันขิดกันเห็นไหมมันขิดกระมันทีเลือดเต็มกับเต็มหัวมันเลไเน ย, ย, าายเอลไอตัวถูกถูกขีดเป็นแผลตายวันกียรมัทอัลลอฮ์ให้ตัวถูกขิดที่ตายเนี่ยขิดไอตัวนั้นคืนแล้วพวกเราจะเหลือไหมที่ไปละเมิดคนขนาสัตว์เนี่ยอลัลลอฮ์ยังให้ความยุติธรรมเลย คราวนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยก็ร อ, อ, อคอยการถูกสอบสวนนะครับวันที่เราชุมนุมพวกเขาทั้งมวลแล้วเราก็กล่าวแก่บรรดาผู้ที่มีภาคีขึ้นว่าอย่ากลูลอย่ากลูลิละดีนะอัชรอกูไอนะชูรักะไหน บรรดาภาคีของพวกเจ้าที่พวกเจ้าอ้างกันว่ามีอํานาจนักหนาศักดิ์สิทธิ์นักหนาแจ๋วดนนูน่นดนนี่ให้ได้ที่ไปบูชามันละเกินเนี่ยอันนี้ในสำนวนนะวันเกียร์มาที่อัลลอฮ์เอามาชุมมันอยู่ไหนที่ไปขอเนี่ยตะเบงไปขอกันทําทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะพี่น้องมันเป็นหินเป็นปูนมันอยู่อยู่ไหนล่ะมันก็ไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะ เออเจ็บใจไหมอุตส่าห์แหมหมดเงินหมดทองไปสุดท้ายวันกิยามาเอารอถามไอ้ที่แกไปขอมันอยู่ไหนไม่มีหายหมดแล้วเป็นหินเป็นปูนเป็นดินถ้าเป็นเป็นสิ่งมีชื่อมันก็ตายไปสมมุติเป็นเป็นแมวสามหัวสมมุติมันก็กลายเป็นดินไปแล้วมันจะมาอยู่ให้อำนาจเลยล่ะใช่ไหมอ่าต้นไม้ไปไหนต่อไหนแล้วอ่ะเป็นปูนเป็นหินเป็นดินก็กลายเป็นศูนย์สลายไปแล้วเอารอถามว่าอยู่ไหน และผลแห่งการทดสอบพวกเขาก็มิได้เป็นอย่างอื่นนอกจากพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อร้อพวกไหนพวกตังบัีขอสาบานต่อรอว่าไงผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเราว่าพวกเราไม่เคยเป็นผู้ที่ให้มีพาีขึ้นแต่อย่างใดงงไหมปฏิเสธไม่รับผู้ร้ายปากแข็งเป็นเรื่องปกตินะ มนุษย์เราเนี่ยพอรู้จะถูกลงโทษข้างหน้าแล้วไปไม่ออกแล้วโกหกไว้ก si <ata> ่อนเออโกหกไว้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อไว้เผื่อรอดเอาตัวรอดซุมมาลัมตะกุลฟิตนะตูหุมอินลาอันกอลุวัลลอฮรบบินามากุณนามุชริกีนอุลฎ์มุฮัมมัดอุลุ์จงพิจานาดูเถิดว่า พวกเขาได้โกหกตัวของพวกเขาเองอย่างไรพวกนี้โกหกตั้งแต่อยู่ในในดุนยานี้แล้วพี่น้องไม่ต้องไปรอโรคหน้าหรอกอาอโรคหน้าเนี่ยรอเราอีกฟังแต่ในดุนยาพวกนี้ก็โกหกอยู่แล้วปินปอนต่างๆหาเรื่องต่างๆมาพยายามที่จะบ่ห ม, ม้อหมัดเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาโดนสายาศาสตร์ว่ากันไปและสิ่งที่พวกเขาอุบโตกขึ้นก็หายไปจากพวกเขา เออสิ่งที่อุปโตกโลขึ้นมาที่เป็นภาคีตอเลอก็หายไป 25, ยี่ห้าอายุที่ยี่ห้าและในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่สดับฟังเจ้าอยู่บ้างหมายถึงพวกที่ตั้งภาคีตอเลอเนี่ยก็มีมาฟังมาฟังใครมาฟังนบีอยู่บ้างและเราก็ได้ให้มีสิ่งมากั้นหัวใจของเขา พี่น้องครับบางคนมาฟังศาสนาแต่ก็ไม่เอาศาสนาก็มีนะบางทีเขาเรียกว่าเราสอนไปอย่าสมมติอตอนอะไรมากอยู่ดีๆไม่ฟังหรอกสมมติมีห อ, อกระจายเสียงเปิดเปิดห อ, อกระจายเสียงในหมู่บ้านเสียงสลามเข้าไปแต่ฟังแล้วมันก็ที่เฉยอะฟังแล้วมันเหมือนมันมีอะไรมากัน้นไม่อยากจะรับรู้ บางคนพี่น้องเชื่อไหมขึ้นไปบนวิขึ้นไปบนรถแล้ะรถคันนั้นเปิดวิทยุสีสลามกําลังสอนเลยเนี่ยเอาชิปตับซีไปสอนเฮ้ยมึงปิดเถอะมึงปิดเถอะอูฟังแล้วมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะฟังแล้วไม่สบายใจมีเนะี่ยบางคนไม่อยากฟังเรื่องศาสนานะทั้งทั้งที่รู้ไม่เธอศา ส, สนาดีรู้แต่ไม่เอาอ่ะมันไม่อยากฟังเป็นยี่แต่ถ้าเปิดเพลงอ่ะ โอ้มันเลยเปิดเลยเออมันมีบางทีฟังแต่ก็ไม่ได้อะไรก็มีเราอย่าเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเราต้องเป็นคนที่ฟังแล้วก็ไตรตองคิดคํานวณฟังแล้ว إ ม م ا เพิ่มไม่ใช่ฟังแล้วโมโหศา ส, สนาอะไรว่าห้ามเยอะจังวะอะไรเงี้ยมีคนไม่อยากฟังศาสนาเพราะฟังแล้วรู้สึกมันยุ่งยากไปหมดเดี๋ยวห้ามนู่นห้ามนี่ก็ขอโทษนะแกมันไ <laughs> ม่ได้อยู่ในโกรบเ น, น, น, นี่ย ถ้าลองทําอยู่ในแต่กรอบจะไต่แรกก็ถามคนละหมาดพอดูห้าเวลาเหนื่อยไหมคนที่ทําประจําเนี่ยสบายอัลฮัมตุดีละไม่ได้มีอะไรเหนื่อยเลยฉันละหมาดห้าเวลาเนี่ยแต่บางคนมันไม่ทํมานะ่ะห้าเวลาเนี่ยมันรู้สึกมันยากเหลือเกินบางวันนี่ถ้าครบห้าเวลานี่ต้องฉลองนะต้องฉลองวันนี้ได้ครบห้าเวลาเร็วฉลองเพราะรู้สึกมันยากแต่บางคนเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ได้ทําเนี่ยอยู่ไม่ได้ไเห็นไหมต่างกันออาต่อมา เราให้มีสิ่งปิดกั้นอยู่บนหัวใจของพวกเขาจะเลิกแล้วหรอนึกว่าจะเลิกแล้วแตยังมีกินบุญต่อเนี่ย <c oughs> ในการที่พวกเขาจะเข้าใจกุรอ่านเอออัลลอ์ให้มีสิ่งมากัน้นบรรยายกับคนเดียวกันฟังคูแอเหมือนกันแต่อีคนน่งไม่เอาอีกคนหนึ่งเอาอีกคนไม่เข้าใจอีคนนึงงง และได้ให้หูของเขาหนวกให้หูของเขาหนวกและหาพวกเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างเขาก็ไม่ศรัทธาเออพี่น้องมันมีคนประเภทนี้นะต่อให้อัลลอฮฺจะให้สัญญาณยังไงชัดเจนไงคนมันไม่เอามันก็ไม่เอาจนกระทั่งพวกเขาได้มาหาเจ้าแล้วก็โต้เถียงกับเจ้า บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัตนั้นก็จะกล่าวนี่มิใช่อะไรอื่นนอกจากเพียงนิยายโบราณเท่านั้นทำไมแจกไวล่ะเดี๋ยวสมาธิเสียหมดว่าฮุมยันหฮานาันหัวยันเอานาันหู และพวกเขาห้ามเกี่ยวข้องกับอันกุรานพวกเขาจะห้ามกันนะเฮ้ยมึงอย่าไปเรียนนะซุนนะเนี่ยอย่าไปฟังนะอิสล่าศรีสลามอย่าไปฟังเดี๋ยวมึงก็เปลี่ยนอา้าวก็ดีสิเปลี่ยนเปลี่ยนในเรื่องดีไม่ให้ฟังศาสนามีนหมีนะบางคนไม่ให้ฟังศาสนางงเออแล้วขอโทษนะจะอยู่แบบงงๆแบบนั้นเหรอพอจะให้ฟังศาสนา ม, มึงอย่าไปฟังนะเดี๋ยวมึงเป็นน่ะมันว่ากัน เวลาเขาเอากุร่านมาสอนมันบอกว่าอย่าไปฟังและพวกเขาก็ปีกตัวห่างจากกุรา่านและพวกเขาก็ไม่ทำให้ใครพินาศนอกจากตัวของพวกเขาเท่านั้นแหละแต่พวกเขาไม่รู้สึกพี่น้องครับเขาตั้งหัวข้อไว้ดีนะเขาบอกว่าคนชั่วจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอันกุรานเราจะเป็นคนดีคนชั่วเนี่ยไม่ยากเลยนะตรวจง่ายมาก เราได้ประยยโยชน์จากกุฎีอ่านหรือเราไม่ได้ประโยชน์จากกุฎอ่านถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากกุฎอ่านเราคนชั่วเราไม่ได้อะไรจากคําสอนของกุฎอ่านเลยนี่คือคนชั่วนะเพราะคนชั่วจะไม่เอากุฎอ่านไม่ฟังกุรอานไม่สนใจไม่ศึกษาอัลฮัมดูลิลละเพราเราเนี่คนดีกันหมดเพราะมาเรียนกุฎอานนี่เป็นพยานกันเลยนะพวกเราคนดีกันหมดเพราะว่าเรามาเอากุฎอ่านมาฟังกุรอ่านมาเรียนแต่ถ้าคนชั่ว ไม่เอากุฎานและเอากุ่านเป็นเครื่องมือหากินด้วยเป็นอย่างนั้นนะเอากุ่านมาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินอีต่างหาแต่ไม่เอากุฎานไปใช้บางคนพี่น้องภูมหมาทั้งหลายปรากฏว่าขายก๋วยเตี๋ยวขายไม่ค่อยดีไปปรึกษาคนที่มีศาสนาเขาก็บอกว่าอ๋ออ่านดูอาบ้างเปล่าสิเกตบ้างไมอ่านอัสกา ร, ารละหมาดครบบ้างไหมเขาก็ถามเอาร้านเป็นยังไงพูดจาดีไหม ลูกค้ามาตะแบงเสียงดังด่าลูกค้าอีกไอ้เงี้ยขายไม่ดีหรอกมาได้ย่าไม่มีไอ้คนไม่รู้ศาสนาทําไงมึงเอานี่ไปถ่ายซุรอวากิอาแปะหน้าตู้เลยเออมันคิดอย่างเอากุันเราตกลงกุฎาที่เป็นยันดะเป็นยันเหมือนนางกวักละงามกุฎามันเป็นนางกวักละขอมาฟันะเอามาแปะหน้าตู้เดี๋ยวขายดีอลัลลอฮ์ให้อะไรวะนี่เหมือนกับพวกยันเลยนะ แต่เป็นกุฎอานดูดีต้องเป็นกุรีอ่านไงแต่เชื่อแบบเหมือนยันเลยเอากุฎอ่านเหมือนยันเหมือนนางกวักเลยคนพุทธเขามีคนนอนมุสลิมขอโทษทีเขามีนางกวกักไอเราเอายันมาแปะเอากุรอานในเละมาแปะเขียนอะไรไม่รู้บางทีอ่านไม่ออกด้วยอะไรวะเขียนควายไปควายมาแปะแต่ถ้าแปลเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นนองมุสลิมอีกเรื่อ ง, นงหนึ่งนะไม่เกี่ยวกันนะอาโมก่อนเขาแปะอลัลลอฮ์มูฮัมหมัดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าร้านมุสลิมอันนี้ไม่ว่ากัน จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นด้านมุสลิมเนี่ยถ้าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยดูง่ายถ้ากุมิฮายขายของก็รู้เร็วจะไม่ยากอะไร <S <S ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ ใ, ใส่อย่างชันในี่ยใส่หมวกกับบิ๊กยอซ์อันหนึ่งนะรู้แล้วเออแล้วเวลาแล้วเวาลววาเจอก็อสัสลามวะเลยกุ้มสลามคนอัลฮัมดุลิละนี่เนี่ยดิสกีมาไม่ต้องมีแปะเลยก็ได้เขาก็รู้กันใช่ไหมแต่พวกนี้บางทีเนี่ยไอที่แปะเพราะว่ามันไม่มีพวกนี้ไง แต่งตัวก็ไม่ถูกอ่าเว้าหน้าเว้าหลังขายของผู้หญิงปากก็ไม่ค่อยดีสลามก็ไม่มีอลลอฮวักบัดสุดท้ายต้องเอาเอาบสั ญ, ญลักษณ์มาอ่ต่อมานะพวกเขาห้ามห้ามยุ่ ง, ง, ง, งเคาะยุ่งเกี่ยวกับกุษอนมันมีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังก่อน มุหม m มัดอิมนุอิสฮากได้กล่าวโดยนำมาจากอัซซุรีมีสามคนนะในเรื่องเนียหนึ่งอบูจหันอบูจา่านนี่พี่น้องนะเป็นกาเฟตเป็นมุสลิกตายในสงครามบาดัดสว่วนอบูลหับนี่โดนภรรยาใครภรรยาท่านทำซหรือใครผมจำาชื่อไม่ได้ตีกระบาลเป็นแผลติดเชื้อตาย ส่วนอบูจาฮันนี่ตายในสงครามตายแบบอนาถโดยเจอเด็กดกฟันเด็กฆ่าแต่ลูกเขาเป็นมุสลิมนะ อ, อ, มอิกริมาอิกริมาของโทษที่มาจากอะอิกริมาบินอบีจาฮันลูกเป็นซอฮบานาบีรอเดียลลอฮฺอันหูสามคนหนึ่งอบูจาฮันเขาได้มาฟังอันกุรอานของท่านนาบบีในเวลากลางคืน โดยที่เขาอบูซุบยานไมคคนหนึ่งซุบยานนี่ชื่อว่าซักอิบโนฮารบินอบูซุบยานนั่นแหละแล้วก็อันนัสอิบโนชาลิกอัลอัคนัสอิบโนชาลิกสมคนมาฟังกุรานแต่มากันโดยที่ไม่รู้อยู่คนละมุมนบีในอ่านกุรานในบ้านอีกคนนึงก็อยู่อีมุมนึง อยู่ทําแพงหนึ่งเพื่อมุก่อในเนมื่อพี่น้องบ้านมันไม่ได้แบบมิดชิดก็เดินถึงกันน่ยทําอะไรก็ได้ยินอบูยาฮันก็อยู่อีมุมนึงคอยฟังวานาบีอ่านอะไรอาบูใครล่ะอาบูซุบยานก็อยู่อีมุมหนึง่งแล้วก็อัลอาคเนสอยู่อีมุมหนึง่งรู้ไหมเวลาเขาฟังกุฎานเนี่ยเขาฟังยันจนกระทั่งสุบุกฟังทั้งคืนเลยนะฟังกุรฎานฟัง คือฟังแลวง้ววางไม่ลงอะ่ะคือนบีอา่านกุดอา่านที่ดูพี่น้องกุดอ่านออกจากปากนาบีเนาะแล้วเขาก็รู้ความหมายอยู่แล้วเขาเป็นภาษาเขาคนอาหรับนี่เขาก็ฟังขนาดเป็นกรนี่ยังฟังเพลินเลยนี่กูดอ่านเนาะนี่คํามดำรัดของเราต่างคนก็ต่างแอบฟังกันคนละมุมไม่รู้ด้วยพวกเขาก็มานั่งนั่งฟังจนกระทั่งถึงเวลาซูโบเลยเมื่อรุ่งสางก็แยกย้ายกันพวกเขาก็มาพบกันระหว่างทาง ตอนกลับบ้านน่ะเจอกันเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยทั้งคูทั้งสามคนก็ถามกันออกมาทำอะไรเนี่ยแปลก <c oughs> หลังจากนั้นก็ตกลงกันว่าจะไม่กลับไปฟังอีกไม่วางฟังอีกและรู้แกวอายเหมือนกันแนะคือตัวพวกตอนเนี้สามคนเนี่ยไม่ได้ศรัทธาต่อหรอเนี่ยบอกไหมเป็นมุสลิมแต่มาแอบฟังคุรานพอเขารู้จับได้ว่าเฮ้ยไปฟังคุรานจากม uh ุฮัมมัดเหรออายเวย้ยพออายเสร็จก็บอกว่าไม่เอาแล้วพวกนี้ไม่มาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแต่เวลาฟังนี่เพิินนะฟันยังซุโบเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นตกลงก็ไม่ฟังอีกเพราะกลัวว่าหนุ่มๆชาวกูเดชจะรู้เพราะนี่พวกนี้เป็นผู้อาวุโสหมดเลยสามคนเดี๋ยวให้พวกห น, หนุ่มมันรู้มันจะว่าเราไหนวกอุษาตันอัลลอฮ์สุดท้ายไปแอบฟังกูดานเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาคืนที่สองคืนที่สองตกลงว่าไม่มาใช่ไหม คืนที่สองแต่ละคนก็มาอีกมาอีกแล้วมาฟังอีกแล้วก็คิดว่าอีสองคนไม่มามากันอีกแล้วคนละมุมคือตีแต่ฟังแล้วกูอาะละชอบเพราะได้ให้สัญญาณกันว่าจะไม่มาก็มากันอีกก็ไม่คิดว่าใครจะมามากันสครับครบเลยสามคนแล้วเมื่อเขาเดินกลับเจอกันอีแล้วที่เดิมอา้าวไหนมึงบอกจะไม่มาต่างคนก็ต่างตําหนิซึ่งกันและกันเริ่มห้ามกันแล้วเฮ้ยอย่ามาฟังนะ พ้อบกับสัญญาว่าจะไม่มาอีกแล้วพอคืนที่สามมากันอีกแล้วแล้วก็ลูกสามก็บอกว่าจะไม่มาอีกอ่าสามคืนมาฟังนัดกันสามคืนว่าจะไม่มาสุดท้ายมาจนได้และเมื่อตอนที่สายอัชอะคเนสอันนี้เดียวสุดสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเลยนะว่าใครได้รับหิดายะ อิบนุชารีก็คว้าไม้เท้าแล้วออกจากบ้านจนกระทั่งเดินไปถึงบ้านของบูซุบยานตอนที่สายนะี่สองคนมาคุยกันแล้วทนไม่ไหวมาคุยกันแต่ว่าตอนเมื่อคืนตอฟังกู่านแล้วนะตอนสายเดินสองค น, อ, น, นอัสนักชื่ อ, อยากจังอัลอาคเนสก็หยิบไม้เท้ามาหามาหาใครมาหาบูซุบยานแล้ว ก, ก็ได้กล่าวว่าโออาบาฮันซาลชื่อเขานะขอท่านได้บอกให้ฉันทราบถึง ความเห็นของท่านตามที่ได้ยินมุฮัมหมัดพูดเขาก็ได้กล่าวว่าโอ้อาบาซาลาบาขอสาบานต่อละความจริงฉันได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างฉันก็ทราบมันดีและทราบถึงสิ่งที่เขาหมายถึงและฉันได้ยินสิ่งหลายอย่างที่ฉันไม่ทราบความหมายและจุดประสงค์ของคำพูดเหล่านั้นบางอันก็ฟังแลวเข้าใจเลยกุอานนมีทั้งสองแบบ แบบที่ฟังแล้วเข้าใจอันที่สองฟังแล้วต้องมีการอธิบายความถูกไหมบางอันไม่ต้องอธิบายความชัดเจนอันลลอฮ์าห้ามเล่าไม่มีอะไรชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วละหมาดห้าเวลาเออบางอันมีคําหมายความอย่างความหมายบางอย่างที่เป็นความหมายในต้องอธิบายอาสนะ ก, ก็ได้กล่าวว่าส่วนฉันขอสาบานต่อผู้ที่ท่านสาบานก็คือกลับไปที่อัลลอฮ์นั่นแหละฉันก็ไม่ฉันก็เป็นเช่นนั้นหลังจากนั้นก็ออกไปจากบ้านจนกระทั่ง เขาเนี่ยไปพบอบูจาฮันและเขาก็ไปในบ้านของเขาและกล่าวว่าอับอบัลฮะกิมฮากัมซึ่งเป็นเชื่ออบัอบูจาฮันท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับได้ยินมุฮัมมัดพูดเขาถามฉันได้ยินอะไรเหรอเขาบอกว่าตระกูลอับดุลมานาบแข่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องเกียรติพวกเขาให้อาหารเราก็ให้อาหารพวกเขาแบกภาระแบกสัมภาระเราก็แบกสัมภาระและพวกเขาให้เราก็ให้ จนกระทั่งเมื่อเราได้อยู่ในระดับที่สูสีกันและเมื่อเปรียบม้าก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วพวกเขาก็บอกว่าถ้าฝ่ายนั้นมีนบีและมีอหีลงมาพวกเราจะสู้เขาได้ยังไง ร, รู้ไหมรู้นะว่าสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดเล่าเนี่ยของจริงแต่ถ้ายอมรับปั๊บตระกูลฉันเป็นไงด้อยทันทีเพราะตระกูลนุนตระกูลนุนมีตระกูลที่อัลลอฮ์ลงอหิให้ในตระกูลกูเดสมันแยกยังไงเป็นอับดินมานะเป็น เป็นนู่นเป็นนี่แยกย่อยออกมาอีกอบูยฮันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นญาตินบีแต่อยู่คนละสายกันบอกว่าถ้ารับสายนาบีเป็นนบีสายเราก็จะดูดูอะไรนะดูด้อยกว่าดูนี่เหตุไงสาเหตุที่ไม่ใช่มไม่รู้นะรู้แต่รับไม่ได้เพราะว่าเพราะผลประโยชน์ถ้ารับปับ๊บถ้ารับว่านาบีเป็นเป็นนบีจริงเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวตระกูลนบีจะเป็นไงได้รับเกียรติมากกว่านี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนอีกสองคนพี่น้องที่คิดว่า ที่คิดว่าสุราีานมีประโยชน์สุดท้ายสองคนนี่รับอิสลามทั้งคู่นะอบูซุบยานก็รับอิสลามและอันนัสก็นี่ก็รับอิสลามแต่คนที่ไม่รับอิสลามคืออบูจหันไม่รับและสุดท้ายก็ตายในสภาพที่เป็นมุสลิีนนี่คือคนที่แอบฟังกุรียแอบฟังกุ่ารีย์ทั้งคืนนะครับดังนั้นพี่น้องนะให้กุรเป็ น, เ ป, นเป็นทางนาแก่เรา นะครับอย่าเอากุรอ่านมาเป็นพิธีกรรมนะพี่น้องเอาให้เป็นประโยชน์ให้เอามาใช้ประโยชน์นะเอา ส, สรุปเมื่อกี้นะคนชั่วจะไม่ได้รับประโยชน์จากกุรอ่านไปดูได้ไปดูนะพวกเมายาเม า, า, มากันท่อมแหละมันดูนี่มันกุระอ่านเป็นหรือเปล่าหรไม่รู้เลยอ่านเอาให้อ่านก่อนอ่านเป็นหรือเปล่ายากนะมเมาน้ําท่อมทั้งวันแม่มันท่องกุระอ่านได้แจ๋วเหลือเกินไม่มีอ่ะพี่น้องยิ่งห่างไกลกุรอ่านคนที่อยู่กับกุรอ่านคือคนดี เอออ่อานกุรอ่านท่องจํากุรอ่านปฏิบัติเอากุฎอ่านมาเป็นมารยาทในการดําเนินชีวิตนะครับแต่ยาวกุฎีอ่านมาหากินนะผมบอกแล้วนะเออเอาต่อมาอ่านนะอายะที่ยี่สิบเจ็ดอารนัทวะลาอุตร وقفوا على النار. ولو ت ر ا ئ ذ وقفوا على النار. ولو ت ر ا ئ ذ وقفوا على النار. ว ق ُ ل ็ลุ ا ل َยแต ن แน่นุรถด ا วَาแ ا ن ا กะที่ ฟะ ن ะูลย่าเลิตนาหนูรดดวลานุคَิบบิอัยติรับบินา วันก็หน้ามีนัลมุ่มินีบัลบาดัล م ะหุ่มมันก ي น خ ยู่ฟูนัมีอ ق َ ب ْบล อกอบลแล้วก็มีตัวลามด้วยนะกอบมีลิ้นด้วยลิ้นกระดกบัลบาดาลหุมมากกนุ و َ ل َลُวรดดูวَาَล د ُรดด ل َ ع َวดُลีมาน ه ฺُ عنه و إنهم ُ ل َ كاذبو ِ ไอรอบนึงว่าลรุดดูละดูลีมานุอุันฮุว์อินนั้หุมละคาดิบูน อีรอบหนึ่งดูกลางๆไม่พร้อมแต่มาจบพร้อมกันเฉยเลยเอองงอาใหม่รอบหนึ่งอ่ะดูให้ดีนะมันจะมีตัวรามอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องเห็นไหมลาดูลีมานูฮูวอินฮุมลากาเห็นไหมมีลามอยู่ข้างหน้าหมดเลยวอลอรุษ ดูแ ع ดูริมาณุฮฺ عنه وإنهم لا كاذبو วَ่ก้าวลู ا อินฮีย์อิลลัฮัยะตุนัดดَุยْว่ามานะนูบีมะบะอุ ا ินว่าِ้าวَِูอินฮีย์อิลลัฮัยะตุนัดดุนยาว่ามา ن َ บีมามูซิน ولو تراذ وقفوا على ربهم ว่าเลวตราวิจูนฟูอัลลารับบิห์มว่าเลวตราวิจูนฟูอัลลารับบิห์มก أ َาَ ي ْ س َ هَذَا ะِ ا ل ْ ح َ ق ِّ قال أليس هذا بالحق قلوب بل وربنا กลาอูบَล وربنا กลาอูบัลละ وربنا กล ف َ ذوق ال عذاب بما كنتم تكفرون قال فذو كل عذاب بما كنتم تكفرون อะก็จะมีคำ เปรียบปเปรยนะในสุมาในสุภาษิตไทยเขาบอกว่าไงไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเออคําจริงก็เป็นคําตักเตือนกันนะว่าอย่ารอให้ถึงความตายก่อนถึงจะคิดได้ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะฮสุดท้ายแล้วคิดได้ก็คือมันสายไปคราวนี้อัลลอ์เนี่ยเล่าเล่าให้ฟังว่า ว่าเราตอรอและหากเจ้าได้หินว่าเราตอรอและหากเจ้าได้ห็นอวูกีฟูเมื่อหรือว่าขณะที่พวกเขาเนี่ยไปยืนอยู่วูกีฟูหยุดตรงไหนอาเลนนาหยุดอยู่หยุ ด, ย ด, ยดขณะที่พวกเขาถูกให้หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไฟนรกไปยืนอยู่หน้าไฟนรกแล้วนะซึ่งนรกเนี่ย มันเป็นเหวใช้คำว่าตกใช่ไหมตกนรกขึ้นสวรรค์เอ้ถ้าเป็นบ้านเราเข้าสวรรค์ไม่ได้ขึ้นนะเข้าสวรรค์ใช้คำว่าเข้านะเข้าสวรรค์ตกนรกก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราข้ามสะพานแล้วก็ตกลงไปอ่านรกก็อยู่ข้างล่างนะและเห็นกันนะเห็นกันด้วย ไอนคนร้อนก็โอ้โหทรมานไอนคนสบายก็โอ้ดีแล่เราละหมาดัมดุลละ <c oughs> มองไปไอโอ้ยพวกนี้อ๋อพวกไม่ละหมาดโอ้อพวกนี้พวกนี้เออนะก็อย่าให้อย่าให้ไปถึงวันนั้นนะให้ทำความดีตั้งแต่วันนี้เลยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าว่าเราตารออิศวุกิฟูอัลันนาร และหาพวกเจ้าได้เห็นขนาดที่พวกเขาถูกให้ยืนให้หยุดหยุดอา่าให้หยุดยืนเอ่อให้หยุดแล้วก็ยืนอุกี่ฟุแปลว่ายุดวากิฟแปลว่ายุดแล้วก็ยืนอยู่เบื้องหน้าไฟนรกฟากอลูพวกเขาก็จะกล่าวว่ายาไลาตานีโออ่ากล่าวว่าโอ้ความหวังหวังว่าเราเนี่ยยาไลาตานีหวังว่าเราจะเป็นไง จะถูกนำานูรถดูดูนูรถดูแปลว่าถูกนำกลับไปรถได้รถได้แปลว่าให้กลับไปนูรถดูเราจะได้ถูกนำกลับไปวาลนุกซิบบิอายาติและเราก็จะไม่ปฏิเสธบรรดาอายะของพระผู้อภิบาลของเราอีกพี่น้องนะ อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเนี่ยว่าพงเนี่ยพอไปจะลงนรกแล้วเนี่ยจะขอล็อกกลับไปไปอยู่ในดุนยาเพื่อที่จะแก้ตัวใหม่ไม่อะไรแล้วไม่ปฏิเสธแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ที่อะไรนะที่ขอร้องแบบเนี้ยไม่ได้เกิดจากความศรัทธาตอ่อลอในตัปสิดเขียนไว้นะแต่เหตุที่ขอแบบนี้ขอพ่ออะไร กลัวกลัวตกนรกแต่ไม่ได้คิดจะกลับไปเลยไปศรัทธาต่อร้อนนะคนละเรื่องกันนะเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยสมมติเลยออกกฎหมายเลยนะใครกินเหล้าโดนเคี่ยนไอ้ที่มันไม่กินเหล้าเนะ่ยมีสองแบบหนึ่งมันกลัวโดนเคี่ยนแต่ถ้าไม่มีกฎหมายเมื่อไหร่ไปไงกูกินแน่นอนไอ้ถามว่าไอ้กลัวแบบเนี่ยมันกลัวจากการศรัทธาหรือกลัวว่าตัวเองจะมีภัย ตัวเองกว่าตัวเองว่าจะโดนลงโทษก็เลยไม่ทำแต่คราใดที่มาอยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายคันนี้สบายเลยตอนอยู่ประเทศที่เป็นกฎหมายมุสมไมก่กล้าทำดีนาเพราะกฎหมายแรงนี่ดีนากฎหมายแรงแต่พอมาเมืองไทยปับ๊บสองข้างเลยควงหญิงสองข้างเลย <c oughs> ถามว่าไอ้พวกนี้มันศรัทธาต่อรรหรือมันแค่กลัวกฎหมายที่มนุษย์จะลงโทษ เส้นเดียวกันพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอ้วันที่คนที่ไปจะลงนรกเนี่ยที่บอกว่าขอากลับมานะจะมาปฏิเสธจะไม่ปฏิเสธอายะขอร้อนเนี่ยไม่ได้เกิดจากความศรัทธาในหัวใจแต่เกิดจากความกลัวว่าจะตกนรกพา ร, รู้แเร็ว่าจะตกนรกมันทรมานเลยขอกลับมาแต่พอเวลากลับมาจริงศรัทธาไหมไม่ศรัทธาไม่เชื่อหรอกไม่ได้ลงส่งไม่หลั่งน้ําตา <S <S <S <S เออเพราะถ้าแกจะศรัทธาแกไม่คงไม่รอตรงแต่ไปยืนอยู่ตรง เ okay, right uh. ouais. right. okay. หิวนรกแล้วก็ต้องศรัทธาก่อนหน้านั้นเล้วนะอ่ะต่อมานะแล้วก็บอกว่าเราจะกับเราจะไม่ปฏิเสธอายะรอบบีนาพระพะโอปปะพะผู้เป็นเจ้าของเราวะนากูนมีนนมุมินีวะนากูวะนากูนามีนามุมินีและเราก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่กลายเป็นผู้ศรัทธาคาริอัลล์บอกนะบัล ไม่ใช่อะแต่ถ้าว่าได้ประจักษ์แก่พวกเขาเลวบดาลาฮุมมาการูยุคฟูนามินกับลได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วสิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้แต่การก่อนอ่าก็หมายถึงตอนที่อยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ดุนยาเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์แล้วถึงความดือ้อความความอะไรนะ ความจองของความหยิงยโสโอหงังความอวดใหญ่อวดโตอวดดีกอลล์และหากว่าพวกเขาถูกนำกลับไปแน่นอนพวกเขาก็จะกลับไปทำในสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้อีกนั่นแหละนี่ออลบอกแล้วนะแท้จริงพวกเขานั้นคือคนที่แกรีบูลคนที่กล่าวเท็จอ่าดังนั้นพี่น้องนะ ทำดีเนี่ยต้องทําจากศรัทธาทําด้วยหัวใจไม่จะทําเพราะว่าพ่อได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงโทษเหมือนกันนี่แหละพี่น้องเหมือนเหมือนกับเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาที่เราบังคับให้ละหมาดเราตีใช่ไหมเราก็ต้องฝึกใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งที่ที่ไม่มีกฎระเบียบในการโรงเรียนตีเนี่ยถ้าเขาศรัทธาต่อรอเข้าไปอยู่บ้านเขาก็ละหมาดแต่ตอนอยู่เรียนทําไมเขาละหมาดครบอ่ะก็ครูตี กูตีเขละหมาดครบแต่อยู่ที่บ้านไม่ละหมาดก็ได้พราพ่อแม่ไม่ว่าอะไรแสดงว่าลูกของเราเนี่อีหมานหรือยังยังแค่กลัวกดระเบียบเท่านั้นแหละเห็นไหมดังนั้นให้ลูกเราศรัทธาต่อรอดเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะถึงเวลาเขากา็เขาก็ละหมาดเขาเองเลยเพราะเขาศรัทธาต่อรอดนี่เหมือนกับพวกเรานี่แหละพี่น้องเราเนี่ยจะไปกินเหล้าเมายาเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะไปกินเหล้าได้นะ หมายถึงว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามเนะ่ะกีเดินไปซื้อเหล้าไม่มีใครห้ามตำรวจไม่จับกีหรอกแต่เราไม่ทําเพราะเรากลัวเรา ก, เ, รากเกรงกลัวลอแล้วเราศรัทธาต่อลอแนเอ้าต่อมากอลูว่ากอลูอินฮียอินละไหยะตุนดดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าซาฮีที่พวกเนี่ยนะไม่ศรัทธาต่อลอพ่ออะไรรู้ไหเพราะพวกเขากล่าวว่ามันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้นเขาเลือกความสบาย เลือกโลกนี้นะและเขาไม่เชื่อว่ามันจะมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาดังนั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะมุ่งหาสแสวงหาความสบายในโลกนี้สะสมทรัพ ส, สมบัติไม่คิดที่จะแบ่งปันไม่คิดจะบริจาคเขาก็คิดว่าไอ้ทรัพสมบัติที่เขาสะสมนั้นเนี่ยมันจะยังประโยชน์กับเขาแล้วก็ไม่คิดว่าตายไปแล้วเนี่ยจะต้องถูกฟื้นขึ้นมาถูกสอบสวนเขาก็เลยหาแต่ประโยชน์ในโลกนี้เท่านั้น ต่อมาอายะที่สามสีบอเาว่ว า, าว่าเาต่อรออีสวูกี่ฟูอีกแล้วและหากว่าเจ้าได้เห็นขณนะที่พวกเขาถูกทำให้หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าพระพอภิบาลของเขาอาลลรบบิหิมกอละอาไลซาฮาบิลฮักโดยที่พระองค์ก็ได้ทรงกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ความจริงดอกเหรออัลลอฮ์ให้กุรานมาให้สัจธรรมมาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเหรอพวกเขาก็ตอบว่าใช่ครับมันคือเรื่องจริงขอสาบานต่อพระพยบาลของพวกเรากอลูบาลาวาร บ, บีนากอละฟะดุลฟะดุุลอบบมากุลตุม้มตกฟูรูนพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มลถการลงโทษเถิดเนื่องจากพวกเจ้านั้นปฏิเสธศรัทธานั้นอัลลอ์ก็จะถามย้ำอีกว่า กูด่านไปถึงพวกไปถึงพวกพวกคุณอ่าพวกเจ้าไหมแล้วรู้ไหมในกุร่านกล่าวว่าอะไรรู้ถึงเครื่องหมายต่างๆของการมีพระเจ้าไหมรู้หมดทุกอย่างเลยนั้นเมื่อรู้แล้วปฏิเสธใช่ไหมก็ไปลงนรกไปนะตามสภาพนั้นไม่ต้องพูดเยอะว่าอุ้ยเราจะกลับไปแก้ตรงแก้ตัวถ้าจะทําดีทําตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเอ่คือมันก็หลายๆคนนะพี่น้องเวลามันสายไปแล้วก็จะบอกอุ้ยจะทำนั่นทนํานี่แต่มันก็คือคําโกหกอะครับ จริงหรอกถ้าจะทําดีทำไมต้องมารอขนาดนี้ยตอาไม่ไ่ทําแต่ตอนนู้นไอ้คนที่บอกจะทําดีเมื่อมันตอนที่มันจะถึงเวลามันหมดโอกาสแล้วเนี่ยสมมติ <So S 1> อยากทําดีกับแม่โอ้แม่จะแม่จะตายอยู่แล้วแม่ตายแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยฉันอยากจะทําดีกับมากมากเลยแล้วตอนมื่ก่อนมึงด่ามาเอาเอาช็อตจะชอตเป็ดโกหกไหมล่ะฟังแบบนี้อย่าพูดเลย ทำสีนาคบปุดชู้มาเพียบเลยพอวันหนึ่งโดนจับได้ไม่ฉันไม่มีผัวแล้วจ้าดูขาวไหมดูขาวไหมโอ้โหมันสลับยิ่งกว่ารถไฟแล้วมันบอกว่าไงไม่มีผัวแล้วจ้าฉันเคดแล้วจ้าถ้าจะทําดีทำตั้งแต่ตอนนู้นแล้วมาพูดอะไรตอนนี้เออามโกหกมีใครเชื่อไหมล่ะมีใครเชื่อหรอกนี่แหละเหมือนไอ้พวกที่ไปยืนอยู่หน้านารกนั่นแหละ ถ้าจะทําดีทําตั้งแต่แรกแล้วจะมารออะไรอะจฉรยะใช่ไหมมารออะไรเนี่ยเพิ่งมาทําตอนที่ผัวตายไปแล้วจะบอกฉันทําดีมีประโยชน์อะไรเนี่ยใครจะไปเชื่อโกหกทั้งนั้นเลยนะโกหกทั้งนั้นเลยนั่นคนที่จะพูดจริงทําจริงก็คือทําตั้งแต่ตอนที่มีโอกาสอย่าปล่อยให้หมดโอกาสแล้วจะทำแสดงว่าถ้าคุณปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปแล้วคุณจะทํานั่นคือคนที่โกหกการกหกภา ษ, ษาไทยเลยโกหกทําตอนมีโอกาส และถ้าหมดโอกาสและหมดจะทรรมนะโกหกเอาเราบอกคนละคนโกหกไปไหนหนู่นเลยลงนรกไปนะไปไปดนรางการลงโทษนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะอบิฮัมนี่ก็อัลชาดุอัลเลออิลลาอิลลาแต่สตัฟิรูกาวันตูบิวไลอัสสลามอวยกุมวบาระห์มตุลลอฮ์อัลวาบารกาโุ